อาตมาภาพเองเมื่อกี้ได้คุยกับพระอาจารย์ปราโมทปรา โ, โมทโชว์ท่านอุปสมบทปีพุทธศักราช 2,544 อาตมาภาพสมเร็จการเรินธรรมก้าประโยคปี 2,543 พอมาถึงหลวงพ่อท่านจะกราบอตาตมาอาตมาบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้อตาตมาก็แค่พระเด็กเด็กรูปหนึ่งเท่า น, นั้นเองที่ที่ถือตัวว่าเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยเพราะอาตมาภาพเองก็ฟัง ฟังซีดีของท่านอ่านหนังสือของท่านเพราะฉะนั้นเราก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์ด้วยรูปหนึ่งเหมือนกะท่ทุกท่านทั้งหลายในห้องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เรามาพบพ่อแม่ครูอาจารย์อัตมาภาพเองก็ไม่ใช่ครูอาจารย์อัตมาภาพเองนี้ทํหน้าที่เป็นเครื่องประชาสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าสกฤตภาพตอนนี้ทาได้แค่นั้น แล้วก็ปรบันนาตัวเองว่าจะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดด้วยเหตุ น, นี้ก็จึงเป็นสะพานเชื่อมให้ครูบาอาจารย์ชั้นนำทั้งหลายได้มาพบกันตรงนี้ที่สถาบันวิมุติยาลายัยโดยความเอื้อเฟื้อกอ า, ารสถานที่ของคุณเมตตาเท่ากับพันและครอบครัวซึ่งวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นแม่งานร่วมกับลูกศิษย์ลูกหาของอัตรมาภาพด้วยทุกครั้งไปก็ วันนี้ธรรมภาพต้องข อ, อนโนบุทนาทุกท่านทุกคนตั้งแต่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อปราโมทปาโมชโช์เป็นต้นลงมาที่ได้เมตตาต่ออรรมภาพสถาบันวิมุตติยาลายัยและพุทธบริษัทด้านโยมศาสเดินทางมาจากจงังหวัดชลบุรีนะับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อสถาบันวิมุตติยาลัยของเราพร้อมกันนั้นธรรมภาพกข อ, อนโนบุทนาสาธุการทุกท่านทุกคนนะที่เรามีความตั้งจิตตั้งใจ มากันตั้งแต่สามโมงเช้าสี่โมงเช้าบางคนก็ไม่รู้ว่ามาที่นี่แล้วจะได้ทานข้าเที่ยงไหมแต่เพื่อธรรมะเราก็มาฉะนั้นบัด น, นี้ธรรมาคิดว่าได้เวลาเป็นสิี่มงคลยิ่งแล้วก็ขอเปิดการเสวนาครั้งที่สาและขอกราบอาราธนาพระอาจารย์หลวงพ่อปราโมทย์ปราโมชเป็นองค์บรรดาตั้งแต่บัด น, นี้ขอกราบอาราธนากรับพระอาจารย์บอสชิระตน์เมตีแล้วก็ปู่โสมเจริญพร ญาติโยมทั้งหลายท่านไมช่ชีสันสนีคุณหญิงละมุนศรีนะคุณหญิงละมุนศรีกับหลวงพ่อมีนัดกันวันที่ยี่สิบแปดจับได้ยี่แปดเดือนนี้แหละทีแรก อ, อ 25, 25. 25. ๋อยี่สิบห้ายี่ิบห้ายี่สิบห้าีแรกคุณหญิงมานิมนต์ก่อนท่านอาจารย์วอนี้อีกหลวงพ่อบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อตั้งใจไว้นะว่าออกภรรษาแล้วถึงจะรับนิมนต์ เสร็จแล้วท่านอาจารย์ท่านนิมนต์นะแล้วก็ก็ต้องมาช่วยท่านหน่อยท่านอุตสาสร้างคุณงามความดีความดีที่ท่านสร้างคือท่านสร้างคนทุกวันนี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยขาดแคลนวัตถุสิ่งของหรอกวัดวารามอะไรเรามีเยอะแยะนะวัดร้างเนี่เยอะแยะเลยโบสถ์วิหารอะไรเรามีเยอะแยะเจดงเจดีมีให้กุดตั้งเยอะเลยแต่เราขาดชาวพุทธ เรืนี้เรื่องน่ากลัวที่สุดเลยไม่น่าเชื่อนะว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธมีหลายสิบล้านแล้ความจริงเราไม่ค่อยมีชาวพุทธเท่าไหร่หรอกพุทธทาสแปลว่าอะไรพุทธทาสว่าผู้รู้มีใครเป็นผู้รู้ไหมมีใครเป็นผู้ตื่นไหมมีใครเป็นผู้เบิกบานไหมเรามีแต่ผู้หลงนะมีแต่ผู้หลับผู้ฝันเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยว่าในโลกนี้ไม่มีคนตื่นหรอก ในอลกนี้มีแต่คนหลับคนฝันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตมันไม่ตื่นคนที่จิตตื่นขึ้นมานะั้นนับตัวได้จริงๆแล้วที่ภาวนากันถ้าเป็นแทบตายก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตื่นด้วยซ้ําไปบางทียิ่งหลับลึกยิ่งกว่าเก่าอีกอย่างภาวนาจนกระทั้งซึมก็ะือไปเลยนะลืมเนื้อลืมตัวไปภาวนาอย่างนั้นนะยิ่งภาวนายิ่งหลับทําไมคนถึงหลับ เพราะโมหะมันครอบโลกความหลงนั่นแหละมันครอบโลกเดี๋ย ว, วันนี้ท่านอาจารย์ท่านมาเกณฑ์หลงพ่อพูดเรื่องโมหะกิเลสอะไรนะแม น, นจเมนเรื่องความหลงแต่ว่าพูดตรงๆนะในนินทานนิดเดงพ่อไม่เคยเห็นใครจัดการกิเลสได้เลยนะมีแต่ตั ก, กิเลสจัดการทำไมเราสู้กิเลสไม่ไหว เราอยากดีเราอยากสุขใช่ไหมแต่ทําไมเราสู้กิเลสไม่ได้เราใจสอบไม่ใจสอบเกินไปนะครับเราไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะั้นมันพอเหมาพอควรกับมนุษย์ธรรมดาธรรมะที่ท่านสอนนะั้นไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ลําบากเกินไปนะพอเหมาะพอควรกับคนธรรมดาธรรมดานี่แหละที่จะเรียนได้นี่เราไม่ได้ศึกษาเราบางทีเราก็อยากปฏิบัติเราก็ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปเลย มันไม่ถูกทางที่ท่านสอนก็ลำบากเลยแต่ถ้าถูกตรงตามที่ท่านสอนจริงๆนะหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยในเวลาสั้นๆนี่แหละเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดเนี่ยวันๆหนึ่งมีเยอะแยะเป็นร้อยๆหลายร้อยบางวันคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนับจานวนไม่ถูกละ <S <S 1> <S 1> เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างรวดเร็วเลยเคยมีความทุกข์มากๆนะความทุกข์ก็น้อยลง เคยทุกนานนานก็ทุกสั้นลงสามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตัวเองคนรอบๆตัวก็รู้สึกไดนะ้ว่าคนนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคนที่แวดล้อมอยู่ห่างออกไปอย่างบางคนอยู่บริษัทอยู่ราชการนะคนที่แวดล้อมตัวอยู่เขาก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศ จ, จรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้แล้วเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยไม่ใช่ช้าช้านะถ้าฝึกมาหลายปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยให้สำเนียกไวเ้เถอะว่าอาจจะผิด ล, ละนี่หลวงพ่อพูดแบบเกรงใจนะว่าใช้คําว่าอาจจะอาจจะถูกนะบางทีอาจารย์สอนถูกนะอาจารย์ทําได้เราเรียนเราไม่ได้อย่างอาจารย์หรือบางทีเราเรียนสิ่งที่ผิด บางคนเรียนสิ่งที่ถูกแต่ว่าทำหยอหยอใหญ่แยะไม่ต่อเนื่องจริงจังสู้กิเลสไม่ได้หรอกนี่ก่อนจะไปลงมือสู้กิเลสก่อนจะลงมือปฏิบัติทำต้องเรียนซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยหลวงพ่อพ อ, พอใจมากท่านอาจารย์ท่านให้พูดเรื่องโมหะเรื่องความหลงเพราะความหลงนี่แหละคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราเลยคือหัวัตขขกิเลสเลยถ้าสู้ความหลงไม่ได้อย่ามาพูดเลยว่าจะสู้กับความโลภและความโกรธ เพราะความโลภและความโกรธนั้นมีรากเง่ามาจากความหลงถ้าไม่หลงซะอย่างเดียวจะโลภไม่ได้จะโกรธไม่ได้ทั้งหมดมันมาจากความหลงนี่แหละความหลงเป็นยังไงความหลงคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจจำไหมนะถ้าใครเขาถามว่าโมหะคืออะไรโมหะคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรถ้าโดยตัวสภาวะที่มันไม่รู้ก็คือมันไม่รู้อริยสัจ งั้นถ้าเราต้องการต่อสู้กับความหลงให้ได้นะทำยังไงเราจะรู้อริยสัจศั ต, ตรูของความหลงศัตรูของโมหะเนี่ยชื่อว่าอาโมหะสิ่งที่เรียกว่าอาโมหะองค์ธรรมของอโมหะคือปัญญาปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรม หรือถ้าจะปัญญารวบยอดเลยถึงสูงสุดเลยปัญญาชนิดนี้เรียกว่าวิชาถ้าโมหะสูงสุดเลยก็เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจวิชาคือความรู้แจ้งอริยสัจเรื่องนี้สําคัญที่สุดชาวพุทธจะต้องเรียนเรื่องอริยสัจให้แจ้งถ้าเมื่อไรเราเกิดปัญญาเมื่อนั้นอวิชชาหรือโมหะจะถูกทําลายไปถ้าเราไม่มีวิชาไม่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจกิเลสหนังไม่ถลอกหรอก ภาวนาให้เป็นให้ตายสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกอย่างมากก็ยันยันกันไว้นะสู้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเอาจริงสู้ไม่ได้หรอกนะกิเลสมันน่ากลัวจริงๆนะเอาวิชาเนี่ยมันครอบครองหัวใจสัตว์โลกอยู่เอาวิชานี่แหละคือหัวโจกของโมหะเลยของความหลงเลยเอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจนี่ทํำยังไงเราจะรู้อริยสัจวันนี้หลวงพ่อเอาหนังสือมาให้ทีแรกได้ข่าวว่าที่นี่อยู่ได้200อคนนะ หลวงพ่อได้อนักสื่อมาให้200อยเล่มถ้ารู้ว่ามาสองพันเราก็สู้นะ <c oughs> ไม่บอกนี่ว่ามีเยอะนะได้ยินว่ามีสองร้อเอาหนังสือมาให้2อ0รอริยสัจเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดเพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจ ย, ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกละ่ะ นี่พวกเราลนะ่ะมีโอกาสจะรู้แจ้งอริยสัจไหมมีมีนะมีโอกาสขั้นแรกเลยเราต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนทํำยังไงเราจะรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจคืออะไรทํายังไงเราจะรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยถ้าเรียนสิ่งเหล่านี้ให้รู้เรื่องได้แล้วการปฏิบัติจะไม่ยากไม่ลําบากเท่าที่คิดหรอกหลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันทุกวันนะพูดอยู่ที่วัดหรอกว่าการภาวนาจริงๆง่ายนะง่ายที่สุดเลยง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องทําอะไรเลย แค่มีสติที่ท่านอาจารย์ท่านว่านะีมีสติก็มีปัญญามีสติรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามที่กําลังปรากฏเพ้าะกายกับใจนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์อริยสัจตัวแรกคือตัวทุกข์ใช่ไหมทุกขสัจอะไรคือทุกขสัจนะอาการที่ปรากฏของทุกขสัจก็เป็นต้นว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนานี่เป็นแค่อาการปรากฏของมันเท่านั้นเอง ตัทุกข์ที่แท้จริงนะัคือรูปกับนามคือกายกับใจเ่านีิพหานยากที่สุดเลยนะที่เราจะเห็นตัวนี้ได้พวกเรา ย, ยังยังเห็นไม่ได้นะต้องภาวนาต้องสู้ตายจริงๆนะนิพพานอยู่ภากตายจริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าเรารู้อริยสัจนะสมัยเป็นนักเรียนหลักสูตรของกระทรวงศึกษามีได้แต่ชั้นปฐมนะีมีวิชาศิลธรรมจากตอนนี้สอนเรื่องอริยสัจ ทุกสมูทัยนิโรธมรรคจบแล้วสอบได้ละทุกเป็นยังไงเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกสมูทัยคือตัณหานนิโรธเนี่ยกระทรวงศึกษายกน้อนนปแปล น, นิโรธว่าตายเราก็นึกตอนนั้นนะว่าเราจะเอาเอามรรคนะแต่เราไม่เอานิโรธนิโรธไม่ได้แปลว่าตายนะไม่อนาถาขนาดนั้นหรอกนะมรรคมีองค์แป ฟังเราก็ยากใช่ไหมมีตัอ้งองค์8ทําำยังไงจะทําได้ในความเป็นจริงนะั้นถ้าทําเป็นเนี่ยอริยามรรคจะเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลยแตัวเนี่ยไม่ได้เกิดทีละตัวนะถ้าเกิดทีละตัวเรียกว่ามรรคมา ก, มากนะเพราะฉะนั้นมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่มี8นะั้นมีองค์ประกอบ8ประการเนี่ยต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วเหมือนจะยากจริงๆไม่ยากหรอกขั้นแรกสุดเลย เราจะต้องมารู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกคือกายกระใจคนทั่วๆไปไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกระใจเป็นตัวทุกคนทั่วๆไปก็จะตื้นกว่า น, นั้นนะอย่างคนทั่วไปเลยเนะี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขามีความอยากนะเขามีความยึดถือเนะี่ยถ้าเขาได้มาเขาก็มีความสุขถ้าอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุกข์เห็นไหมตื้นขนาดนี้พวกเรารู้สึกไหมถ้าอยากแล้วสมอยากไม่ทุกข์นะ ถ้าอยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยถึงจะทุกข์เนี่ยยังห่างไกลนะห่างไกลธรรมะมากเลยถ้าคนไหนภาวนาละเอียดประณด็ีขึ้นมาอีกก็จะพบว่าทันทีที่เกิดความอยากขนานั้นจะเกิดความทุกข์ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่เดิมต้องไม่ไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าผู้ปฏิบัติหัดจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นจะพบเลยทันทีที่จิตมันมีความอยากขึ้นมาจิตมันจะมีความทุกข์ทันที วความอยากนี่แหละเป็นตัวตันหาเป็นตัวสมูทยัยผลักดันให้จิตเกิดการทํางานการทํางานของจิตนั่นแหละเรียกว่าพบพวกเราได้ยินไหมคําว่าพบพบพอสัำเพอพอผ่านพบมาจากควาว่ากรรมมาพบคือการทํากรรมของจิตนั่นเองพวกเราถ้าภาวนาดูจิตดูใจไปถึงจิตเราเห็นจิตมันทํางานตลอดเวลาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทํางานของจิตก็คือความอยากคือตันหาผลักดันตลอดเลย นีผู้ปฏิบัติถ้าทําไประดับหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากเมื่อไหร่จิตจิตจะมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าสมอยากหรือไม่สมอยากนะแค่อยากก็ทุกข์ละนี่ก็เรียกว่าเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นละนี่ภาวนาต่อไปอีกนะจะพบว่ามีขันอยู่ก็มีทุกข์ละจะอยากหรือไม่อยากนะแค่มีขันอยู่ก็มีทุกข์ลวมีกายมีใจนี่ก็ทุกข์ละเพราะกายกับใจคือตัวทุกข์นะ พวกเรายังไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์พวกเราเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราเห็นได้แค่นี้รู้สึกไหมความทุกข์มาอยู่ในกายความทุกข์มาอยู่ในใจเรายังเห็นอยู่แค่นี้นะเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์หรอกถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจริงๆเราจะรู้ว่าตัวกายนี่แหละตัวทุกข์ตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ขันห้านั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นได้เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงนัจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นนี่มาอยู่ที่วิธีการทํำยังไง ทำยังไงเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกได้ขั้นแรกเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้เป็นก่อนคนในโลกนี้ไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจคนในโลกนี้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาไม่มีใครเลยที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจได้จริงยกเว้นคนที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาเครื่องมือที่ทาให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจได้เรียกว่าสติ สติแปลว่าความระลึกได้นะรุ่นหลังๆเราเริ่มแปลกเคลื่อนไปนะเราไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดเป็นภาษาคำเห็นแปลว่ากดกดไว้ข่มไว้ไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกนะระลึกได้สติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีราสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเราต้องหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะของร่างกายสภาวะของจิตใจสภาวะทางร่างกายจริงๆดูยากมากอย่างเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหม มือไม่ใช่ตัวสภาวะนะมือไม่ใช่ตัวสภาวะตัวสภาวะแท้ๆที่ตามมองเห็นคือสีเท่า น, นั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วเราก็มีสมมติบัญญัติลงไปว่านี่คือมือคนจีนก็เรียกชิวฝรั่งเรียกแทนเห็นสมมติบัญญัติไม่เหมือนกันแต่สภาวะที่เห็นนี่คือสีที่มากระทบหรือเราจะดูร่างกาย ถ้าบางคนก็บอกว่ารู้กายถ้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนยังไม่ใช่รูปตัวจริงนะนั้นเป็นยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่อาการปรากฏของรูปเท่านั้นเองตัวรูปที่แท้จริงที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยคือตัวธาตุธาตุสี่จริงๆรู้ยากมากนะเธอยากมากอย่างคนที่ฝึกอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้มีควรเห็นได้เยอะและ้วอย่างเขาอาบน้ําอยู่นะถูสบู่อยู่เนี่ยเขารู้สึกปับขึ้นมาเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรา นี่เป็นอะไรเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุเป็นก้อนธา ต, าตุจะรู้สึกทําไมต้องสัมผัสอย่างนี้เรารู้สึกเพราะธาตุดินรู้ด้วยใจสัมผัสธาตุดินไม่ได้รู้ด้วยใจนะธาตุดินธนะาตุไฟความเย็นความร้อนไม่ใช่รู้ด้วยใจรู้ด้วยร่างกายเพราะฉนั้นอย่างบางคนไม่ทันเจตนานะเขาเคยหัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆพอมาอาบน้ําถูสบุกปุ๊บรู้สึกเลยตัวนี้ไม่ใช่เราหรือบางคนนอนอยู่พอตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บรู้สึกเลยตัวที่นอนอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเจริญสติให้พอนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเห็นลำบากนิดหนึง่งถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนะเห็นยากเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยในอภิธรรมท่านถึงสอนบอกว่าเหมาะกับสมถียานิกมาะกับคนทาําฌานถ้าทําฌานจิตมันจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาเวลามันมารู้มันจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูมันจะแยกออกไปจากจิต นี่มีวิธีทํากรมกรมาฐานที่ง่ายๆอย่างหนึ่งกรรมาฐานที่ง่ายๆนั่นคือการหัดรู้สภาวะทางใจของเราที่เป็นนํามาทําทั้งหลายใครไม่รู้จักความโกรธมีใครไม่เคยโกรธไหมโกหกหลวงพ่อซี้ยกมือมีไหมไม่โกรธมีใครไม่รู้จักความโลภไหมรู้จักใช่ไหมโกรธเป็นยังไงก็รู้โลภเป็นยังไงก็รู้รู้จักใจลอยไหมรู้จักใจลอยก็รู้ใช่ไหมอิจฉาเป็นไหม อิจฉาเนี่ยไปดูที่วัดหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านนะคนนี้จะอิจฉาคนนี้คนนี้จะอิจฉาคนนี้อิจฉากลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมไแม้มีสุขรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมนี่รู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักสภาวะเหล่านี้อยู่แล้วหน้าที่เราก็คือคอยรู้สึกไปแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องแค่รู้สึกขณะนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้สึก รู้สึกเช่นความโกรธกําลังปรากฏอยู่รู้ว่ากําลังโกรธอยู่ความโลภ ก, กําลังเกิดอยู่รู้ว่าโลภอยูนะ่ใจลอยไปหลงไปลืมเน้อลืมตัวลืมกายลืมใจรู้ว่ากําลังหลงอยูนะ่หัดรู้สึกอย่างนี้หัดรู้สภาวะไปได้วยโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงก็รู้กดหงูฟุ้งซ่านก็รู้นะสงบไม่สงบก็รู้ไปการที่เราหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตจะจําสภาวะได้แม่น จิตมันจําได้แล้วว่าความโกรธเป็นยังไงความโลภความหลงเป็นยังไงพอมันจําได้เนี่ยต่อไปพอตัวที่มันจําได้เกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะจิตที่มีสติเกิดขึ้นเองเนี่ยมีชื่อพระมากเลยชื่อมหากุศลจิตญาณสัมปยุทธอสังขาริกังชื่อยาวานึ่งนะอสังขาริกังไม่ได้จูงใจให้เกิดเกิดเองสติเกิดเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นถ้ายัางสติกําหนดอยู่ไม่ใช่ของจริง สติที่ยังกำหนดอยู่ยังน้อมใจให้เกิดอยู่เรียกว่าเป็นสสังขาริกังสสังขาริกังเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนไม่พอแก่การทํามิปัสสนาจริงหรอกนะต้องฝึกจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมาสติจริงๆจะเกิดขึ้นได้นะถ้าจิตเราจําสภาวะแม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นถ้าเคยเห็นสภาวะบ่อยๆนะเรื่องง่ายๆแค่นี้นะเหตุผลมันเห็นสภาวะบ่อยๆสิคอยรู้สึกไปในใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปรู้ไปรู้ไ ป, รไปเรื่อยๆนะ ถึงวันหนึ่งนะสติจะเกิดเด้งมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะมีอยู่คนหนึ่งไปเรียนทั้งสิบครั้งไม่รู้เรื่องเลยเพราะคนนี้เป็นนักคิดคิดเก่งคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณวิพากษ์นะสุดท้ายเลยวิปะลาสนะคืองงไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วนะคิดมากไปวันหนึ่งแกทอแท้อ ท, อ ด, ทอดอะไรมาที่วัดหลวงพ่อครั้งที่สนะิบแล้วไปจุมปุ๊กอยู่ท้ายห้องนะตัวเราเงินโง่เรียนไม่ได้เรื่องเลยแกได้ยินเสียงลมพัดระคัง หลวงพ่อแขวนกระดิ่งเล็กๆไว้ที่ชายขาลมพัดกลิ้งแกเห็นจิตของแกวิ่งซื่อไปที่ระฆังเอ้ยมันวิ่งไปได้เสร็จแล้วมันก็กลับมาเดี๋ยวอีกกลิ้งหนึ่งนะจิตมันก็วิ่งไปไม่เขาเห็นเขาเห็นกับเห็นจิตใจมันทํางานเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวได้มันไม่ได้ยากนะมันไม่ยากที่จะเห็นแต่ว่าอย่าไปจงใจถ้าจงใจเราไม่เห็นมีคนหนึ่งนะแกเป็นคนขับแท็กซี่หาลูกชายมาที่วัด ไม่ได้เจตนาจะมาฟังทำหรอกลูกเนยอยากมาฟังเพราะฉั้นเวลาลูกมานั่งฟังนะลูกเครียดมากเลยแต่ตัวพ่อไม่เครียดนะพ่อพ่อไม่ได้ตั้งใจฟังฟังไปฟังไปนะพ่อบวยวายขึ้นมาโอ้ผมเห็นแนละ้วจิตผมวิ่งไปที่พระพุทธรูปเห็นจิตมันวิ่งไปที่พระพุทธรูปได้คนทั่วทั่วไปที่เรียกว่าหลงหลงนะจิตมันหนีไปจิตมันหลงแต่จิตมันลืมตัวมันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจแม่นั่นเรียกว่าขาดสตินะ ลงไปล้วดังนั้นถ้าเมื่อไห ร, ร่รู้กายรู้ใจได้ถ้ามีสติมีสติก็ไม่มีโมหะขาดสติก็มีโมหะดังนั้นเราต้องค่อยคอยหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะสังเกตไห้ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางคนงงเช่นคนเนี้ยนะกําลังงงอะไรนะมีนะ้ํามันไปที่วัดหลวงพ่อแล้วไปนั่งนึกนะสอนอะไรวัดนี้สอนอะไรนะ จริงสอนให้ดูสภาวะตัวนี้สําคัญโมหะหน้าที่ของโมหะคือปิดบังการรู้สภาวะหนะลวงพ่อกำลังสอนให้พวกเราดูสภาวะโมหะทําหน้าที่ปิดบังสภาวะนะเมื่อปิดบังเสร็จแล้วจิตใจมืดบอดนะจิตใจมืดบอดไปเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะหัดรู้สภาวะไปรู้ไปรู้ไปนะนี่แหละวิธีที่จะสู้กับโมหะนะขั้นต้นเลยหัดรู้สภาวะไป จนกระทั่งใจสติมันระลึกรู้ไปเห็นสภาวะที่กำลังเกิดเช่นความโรกรธกําลังพูดขึ้นมาปุ๊บปุบปบ๊เห็นมันพุ่งขึ้นมาเลยนะหรือใจลอยใจแอบวิ่งปุ๊บปุ๊หนีไปคิดเนี่ยสติมันไปเห็นครับทันทีที่เห็นมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะที่ท่านอาจารย์ท่านว่าตื่นตื่นทันทีที่รู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏนะจะตื่นขึ้นมาสภาวะห น, นึ่งที่พวกเราอาจจะลองดูก็ได้ เนสภาวะที่ทุกคนมีมากที่สุดเลยคือหลงไปคิดเราลองดูไหมอยากรู้จักสภาวะแห่งความตื่นเรามาดูสภาวะหลงคิดก่อนถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจะตื่นมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อเทียนสิ้นไปละหลวงพ่อเทียนสอนดีมากเลยหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะเรื่องที่จิตคิดหมามันคิดหมามันก็รู้เรื่องนะ มันก็รู้ว่ามันคิดจะไปไล่หมาไล่แมวตัวอื่นอะไรอย่งนี้มันก็รู้รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจะตื่นเพราะเวลาที่จิตคิดนั่นแหละจิตฝันไปเวลาคนเราฝันนะก็คือคิดตอนหลับเวลาคนคิดก็คือฝันตอนตื่นสภาวะที่จิตขึ้นวิถีตอนที่คิดกับตอนที่หลับฝันอันเดียวกันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตฝันไปปุ๊บมันจะตื่นอัตโนมัติเลยต่อไปนี้ทดสอบสังเกตไหมเอาลองท่องพุโทโธในใจก่อนก็ได้ท่องพุโทโธไว้นะท่องไปสังเกตไหมใจเราบางทีเขวิ่งไปที่อื่นนึกออกไหมท่องพุโทโธไว้แท้ๆนะบางทีจิตหนีแวบไปที่อื่นอย่างของคุณเมตตาจิตไม่ได้หนีไปที่อื่นแต่จิตหนีไปจ้องคําว่าพุโทโธ เพาะงั้นบางทีเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเอาต่อไปนี้ลองดูพระพุทธรูปนี่คนอยู่นอกห้องคงไม่ได้ดูนะคนอยู่นอกห้องก็ดูหน้าคนข้างๆลองตั้งใจดูสังเกตดูขนาดที่เราดูพระพุทธรูปหรือเราดูคนข้างๆสังเกตไหมใจเราไปอยู่ที่เขาใจเราไปอยู่ที่พระใจเราวิ่งหนีไปเอาพอแล้วเดี๋ยวพระท่านเสียหมดนะ พอจะรู้สึกได้บ้างไหมใจมันเคลื่อนแต่ในขณะที่เราจดจ่อในการไปดูพระพุทธรูปนะเราลืมกายลืมใจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ น, นั้นแหละเรียกว่าขาดสติงั้นตัวที่หนึ่งเลยนะต้องมีสติหลวงพ่อพูดเยอะหน่อยเพราะว่าเห็นท่านอาจารย์ท่านพูดเรื่องสติเยอะจริงมีอีกตัวคือตัวปัญญาตัวที่เป็นศัตรูกับโมหะอย่างแท้จริงกนะ็คือปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าขาดสติปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงนะ ในรู ป, ประธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่ใช่ว่ารู้ว่าท้องของท้องยุบ ป, ปัญญาไม่ใช่รู้ว่ากำลังหายใจออกหายใจเข้าอันนั้นสติเป็นคนรู้สติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้ถึงความหยุดนิ่งของกายสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของจิตใจรู้ถึงความหยุดนิ่งของจิตใจสติไปรู้ตัวสภาวะปัญญารู้ลักษณะคือรู้ไตรลักษณ์นะคนละตัวกัน นี่เราจะมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ขั้นแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจให้ได้คือต้องมีสตินั่นเองเงื่อนไขตัวต่อมาที่จะทำให้เราเกิดปัญญาในพระภิธรรมสอนไม่ชัดเลยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธินะถ้าปราศจากสมาธิปัญญาจะไม่เกิดแต่สมาธิที่ทาให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างที่พวกเราทำกันหรอกเนี่ยเลยเป็นเรื่องน่าตกใจที่สุดเลย สิ่งที่พวกเราฝึกกันส่วนใหญ่นั้นคือมิจฉาสมาธิสมาธิที่ทำให้ซึมเศร้าเสื่องซึมหงอยหงอยหรือไม่ก็เครียดเครียดแข็งแข็งสมาธิที่ดีนะคือความตั้งมั่นของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในระหว่างที่มันรู้อารมณ์ส่วนสมาธิที่ใช้ไม่ได้นะคือจิตมันไหลเข้าไปแช่อ ย, อยู่ที่ตัวอารมณ์อาต่อไปนี้ทดสอบเรื่องสมาธิบ้าง เอาทุกคนเอาหัวไม่มือคนไหนหัวไม่มือด้วนก็เอาหัวไม่เท้าได้นะลองดูหัวไม่มือตเองลองเพ่งลงไปให้จิตลงไปแนบนะรู้สึกไหมนะส่วนใหญ่นะจิตมันไหลไปอยู่ที่หัวไม่มือรู้สึกไหมอย่างเนี้ยที่พวกเราชอบทำเอาเวลาไปรู้ลมหายใจอา้าวเลิกดูหัวไม่มือหันไปดูลมหายใจใหม่หันไปรู้ลมหายใจเข้า พอดูออกไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมยกเว้นคนนี้คนนี้แอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราทำสมาธินะจิตเราเคลื่อนไปท้งนั้นเลยจิตเราไหลไปทั้งนั้นเลยเวลารู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมเวลาเราไปดูท้องฟองยุกจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องนะเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้านะจิตเราเคลื่อนไปจิตเราไหลไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์ เมื่อใดจิตไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะเมื่อนั้นเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการเพ่งตัวอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานคือการทําสมถะกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นที่นั่งสมาธิกันส่วนใหญ่ติดสมถะกันงอมแงมเลยสมาธิชนิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตปรากฏการทั้งหลายเนี่นคยค่อยๆฝึกไปนะ ค่อยๆหัดสังเกตไปจิตเราไหลไปเรารู้สึกจิตเราไหลไปรู้สึกความจริงแล้ววิธีที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมสีสองค่ายหลักๆพวกหนึ่งพวกทําฌานได้พวกนี้ทําฌานไปจนจิตเข้าสู่ฌานที่สองถ้าจิตเข้าสู่ฌานที่สองจะมีเอโกที่ภาวะเกิดขึ้นคือภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมันจะผุดเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นี่พวกเราส่วนมากทําไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีที่ย่อๆหน่อยเอาง่ายๆหน่อย ให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองอยัางคุณเมตตารู้สึกไหมจิตมาอยู่ที่อตมาบ้างจิตหนีไปคิดบ้างถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไม่อยู่ที่หลวงพ่อฟ้าโมตรู้ว่าจิตหนีไปคิดรู้แค่เนี้ยจิตมันจะตั้งขึ้นเองนะพอจิตตั้งขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนอยู่กับเนื้อกับตัวล่ะเมื่อเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกรู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของมันด้วย ร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรายัางจิตของคุณเมตตาเนี่ยมาที่หลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหมถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปมันจะตื่นขึ้นมานะตอนนี้จิตมันตื่นขึ้นมารู้สึกไหมนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นแหะที่หลวงพ่อพูดนักหนานะที่ท่านอาจารย์ท่านพูดนะภาวะแห่งความตื่นคนในโลกน้อยคนนะที่ตื่นน้อยจริงๆนะคนในโลกมีแต่หลับกับฝันนะถ้าเมื่อไรนะรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ฝันไปจิตที่คิดไป จิตคุณเมตตาคิดไปแล้วทราบไหมเนี่ยถ้ารู้ทันปุ๊บจะตื่นได้ทีละแว บ, บเดียวจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งด้วยคณิกะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นชั่วขณนะนั้นไม่ได้ตั้งได้นานๆอย่างคนที่เขาทรงฌานเราทําได้แค่นี้แหละคนเมืองจะเข้าฌานนะก็เข้าออกับเขาไม่เป็นเราก็เข้าไม่เป็นเราก็ฝึกเอาทีละขณะทีละขณะนะคล้ายๆคนยากจนนะเก็บเงินไปทีละบาท2บาทเดี๋ยววันหนึ่งก็รวยเหมือนคุณเมตตาอย่างนะี้ แต่ต้องไม่ใช้เลยนะฉนั้นอยู่ที่ว่าให้คอยรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปให้รู้สึกจิตเคลื่อนไปให้รู้สึกอา้าวตาไปนี้เราจะฝึกสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมอย่ามองมากนะเดี๋ยวหน้าสึกสังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังได้สองสามคำสลับไปคิดแล้วรู้สึกไหม ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดเนี่ยเราคิดเราฟังมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่เคยรู้หรอกว่าเราฟังไปคิดไปต่อไปนี่ลองนะสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังได้นิดหนึ่งสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งฟังอีกสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งนะหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ไปเรื่อยๆก็ไปจิตมันไหวแบบป๊บรู้สึกแวบบรู้สึกเลยนะเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้เนี่ยหลงไปแล้วรู้สึกไหม อย่าไปเพ่งเรานะถ้าเพ่งเอาจะไม่เกิดปัญญาพวกที่ติดสมถะไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยยืนยันเลยพวกที่ติดสมถะทำไมกล้ายืนยันเพราะหลวงพ่อติดสมถะอยู่22่ปีหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบทำอนาปานสตินี่แหละแล้วจิตก็แนบอยู่กับลมอย่างนี้นะหายใจไปนะทีแรกก็เป็นลมนะต่ไปมันจะเป็นแสงมันไม่ใช่เป็นลมลมมันเปลี่ยนเป็นแสงสว่าง เห็นเป็นเส้นนะเส้นต่อไปก็เป็นดวงก็ยอได้ขยายได้อะไรอย่างนี้ไร้สาราที่สุดเลยนะเห็นผีเห็นเปรตเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสตัวเองเนี่ยกิเลสแมเน็ตมนไม่ได้เมันไม่เห็นนะคอยรู้สึกนะรู้สึกไหมตอนที่หัวเราอนตะเกียจใจหนีไปเกือบตั้งห้องเลยรู้สึกไหมลืมตัวเอง <c oughs> สังเกตไหมเราลืมตัวเองบ่อยๆ แว บ, บหนึ่งก็ลืมแวบบหนึ่งก็ลืมถ้าอยากรู้ตัวเองบ่อยๆนะคอยรู้ไปจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้คอยรู้ตัวนี้บ่อยๆนะจะได้ทั้งสตินะได้ทั้งสมาธิขึ้นมาเพราะสติมันรู้อะไรเกิดขึ้นมันรู้หมดเลยในขณะที่มันรู้ว่ามันหลงไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติตั้งได้ชัว่วคราวได้สมาธิพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะต่อไปนี้พอสติไประลึกรู้อะไรเข้าด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญา เงื่อนไขของปัญญาเนี่ยต้องมีตัวช่วยอยู่สองตัวหนึ่งสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ถึงความปรากฏของกายของใจนะอันที่สองมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นใจไม่หลงถลําไปอย่างพวกเราเวลาเห็นคนเดินมาเราไปดูเขา้าใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาเวลาเราอยากฟังอะไรใช่ไหมเขาแถลงกวงแถลงการเนี่ยเขาจับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยหมายเราตั้งใจฟังใช่ไหมใจเราหนีเขาไปอยู่ในโทรทัศน์ได้นะี่ใจเรามันหลงไปเงี้ย ให้คอยรู้ทันนะถ้ารู้ทันแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นครานี้เรียกว่าเรามีสมาธิแล้วถ้าสติระลึกรู้กายระลึกรู้กายจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอท้าอะไรนะเห็นทันทีไม่ใช่ว่ารู้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ถึงจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราการเห็นว่ากายไม่ใช่เราง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปนั่งดูอะไรให้เสียเวลาเลยแค่รู้สึกตัวใจตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่เราจะเห็นทันทีอย่างนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมหลงไปหมดแล้ว คุณเมตตาก็อย่าไปกดมันไว้ตอนหลวงพ่อชี้ลูกสาวว่าคุณแม่เพ่งเลยเห็นไ้มเนี่ยเราเราครรู้ทันนะหลวงพ่อบอกให้ซื่ อ, อเลยนะไม่มีการปฏิบัติอะไรมากกว่าการรู้สภาวะไปรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นไปรู้รูรปธรรมรู้นามธรรมอย่างที่หลวงพ่อพาดูตอนนี้เป็นการพาดูนามธรรมเพราะรูปดูยากนะต้องทรงฌาน่างเจะเห็นได้ชัดเนั้นดูนามธรรมเช่นความรู้สึกต่างๆเดียเด๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูนะ รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็หลงไปทางตาเดี๋ยวก็หลงไปทางหูเดี๋ยวก็หลงไปคิดเห็นไหมจิตเราหลงตลอดเวลาพอจะดูออกยังจิตที่หลงไปเวลาดูหลวงพ่อก็หลงมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมเวลาตั้งใจฟังก็ไปหลงฟังอยู่เงี้ยหลงอยู่ที่ถ่อยคําแล้วเสร็จแล้วก็ไปคิดใจก็จะกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเห็นไหมหลงตลอดเวลาแล้วไม่มีทางสู้เลยนะนั่นอะโมหะเอาไปกินหมดแล้ว งั้นโมหะแมネจเม้นต์เนี่ยยากที่สุดนะ<笑>ยากกว่าราคาทรัพท์ราคาทรศัพท์มันเป็นลูกกิเลสลูกกิเลสหลานนะง่ายมากเลยโมหะนี่ยากจริงๆริงนิหารู้ไปอย่างนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดก็คือมันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจนี้ล้วนแต่ตกอยู่ใต้อํานาจของไตรลักษณ์เห็นไห้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งเฉยๆยก็เมื่อยนะ หายใจออกเอา้าวทุกคนหายใจออกแล้วอย่าหายใจเข้าดูซิจะสุขหรือจะทุกข์เอาพอเดี๋ยวตายกันขาที่ที่นี่นะเหนไหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกใช่ไหมร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถเลยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะร่างกายเนี่ยเป็นแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก นี่นี่เป็นตัวปัญญานะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาเกิดไม่ใช่คิดเอานะไอ้ น, นี่หลวงพ่อไปสรุปตอนที่ปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้แจ้งในไตรลักษณ์เห็นในร่างกายมันไม่เชียงนะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเห็นไหมหัวใจก็เต้นตุ๊บตไปเราก็ร่างกายเราก็ต้องกระตุกกระดิกนะร่างกายเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวลําบากเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราเป็นวัตถุเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกก็คือมีธาตุไหลเข้าไหลออก ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะรู้สึกอย่างนี้นะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าความรู้สึกสุขทุกข์นั้นอยู่ห่างๆนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันๆแล้ที่สามารถเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่คนละอันกันนะร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตใจอยู่ต่างหากเห็นได้ว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากแยกกัน เห็นว่ากิเลสทั้งหลายก็อยู่ห่างๆออกไปไม่ใช่จิตหรอกนะแล้วก็เห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตไปทางตาเดี๋ยจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจเนี่ยจิตเกิดที่ใจนะเนี่ยหมุนไปอย่างเนี้ยเราดูไปเรื่อเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะแล้วก็เห็นคังคับไม่ได้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะจิตเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยความอยากความอยากบีบคั้นตลอดเปละเนี่ยเราค่อยๆดูไปเราจะเห็นในในกายในใจนี่มีแต่ทุกข์ล้นล้นเล เบื้องต้นยังเห็นไม่ได้ขนาดนี้หรอกเราก็ยังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างดูไปเรื่อยๆนะจนวันใดแจ้งขึ้นมาจริงๆแลกายนี้ทุกข์ล้วนๆจะสลัดคืนกายให้โลกไปไม่ยึดกายละวันใดเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตละพวกเรายังยึดถือเพราะว่าเรายังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังรู้สึกอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรายังยึดถือยังปล่อยวางไม่ได้จริงหรอกถึงจะมาพูดคําว่าปล่อยวางใจก็ไม่ปลอยหก เพราะว่าปัญญาไม่พอจะปล่อยได้ต้องปัญญาพอนะปัญญาพอเพราะอะไรเพราะสติเกิดบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ปัญญานี่แหละคืออมโมหะงั้นถ้าจะสู้โมหะก็ต้องพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้าจะสู้โมหะต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากมีสติรู้รูป ร, ร, ร, รู้นามรู้กายรู้ใจไปเรื่อย โดยที่ไม่ได้จงใจเพ่งจ้องถ้าจงใจเพ่งจ้องไม่เรียกว่าสติใช้ไม่ได้ไม่ใช่สติที่ใช้ทําสติปัฏฐานจริงเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะกรรมฐานให้สติเป็นแค่ะระลึกเช่นใจเราไหลไปเรารู้สึกใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้สึกคือรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆต่อไปเราก็สังเกตอีกอันหนึ่งจิตเราไปตั้งมั่นจิตเราชอบไหลไปไหลมาไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจะ ไหลไปไหลามาไหลาทางใจคือไหลวิชิตเนี่ยพอเราเห็นสองอันนี้นะมีสติขึ้นมาเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วเกิดสติรู้ทันใจที่ไหลไปไหลามาแล้วเกิดสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นในขณะนั้นจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรามันออกไปอยู่ห่างๆได้นะมันแยกกันหมดเลยขันท่านี่แหละมันกระจายตัวออกไปนะ ที่เรียกว่านำรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่ว่าหายใจออกกับหายใจเข้าคนละอันแล้วบอกนำรูปปริเฉทญาณนั่นไม่แยกรูปกับนามนะอย่างถ้าดูหายใจออกก็อันนึงหายใจเข้าก็อันนั่นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามแยกรูปกับนามในจิตหนึ่งจะต้องตั้งมั่นขึ้นมา <S <S ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเพราะฉั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดว่าให้ตื่นตื่นตัวนี้สําคัญมากนะฉะนั้นเราต้องมีสองตัวนะมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นนขึ้มา เราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นธรรมะทั้งหลายไหลผ่านเราไปเราจะเห็นกิเลส ท, ทั้งหลายนะไหลผ่านจิตเราไปไหลผ่านเฉยๆไม่ทําำลายจิตทุกวันนี้กิเลสผุดขึ้นมาใครไปทําให้กิเลสผุดขึ้นมาก็จิตนะั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลส ท, ที่จิตปรุงนั้นเองกลับมาทําร้ายจิตจิตเราได้รับความทุกข์เพราะกิเลส ท, ที่มาแผดเผา แต่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกจนใจเราอยู่ต่างหากนะใจเราตั้งมั่นกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตเนีกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาคือความสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตแยกกันหมดเลยขันแต่ละขันกระจายตัวออกมาขันแต่ละขันจะแสดงความไม่ใช่ตัวเรากิเลสเวลาไหลผ่านมานะมันจะคล้ายเรือเรือลำใหญ่ๆจิตเราเหมือนเรือลำใหญ่ๆจอดอยู่ในแม่น้ํำทอดสมอไว้น้ําไหลผ่านเรือนะเรือไม่ต้านน้ํา เรือไม่เคยต้านน้ำนะถ้าเรือต้านน้าเรือล่มเรือไม่ต้านน้าในขณะเดียวกันเรือนี้ไม่ได้ไหลาตามน้ําไปรนะเรือนี้มีคอยมีสติอยู่มีสติอนะสตคอย ร, รู้สึกรู้สึกรู้สึกอยู่ถ้าไม่รู้สึกตัวจะไหลไปอย่างที่เมื่อกี้พาให้ดูพระพุทธรูปพาให้ดูโน้นดูนี่รู้สึกไหมจิตมันไหลไปเรอกขาดสตินะเพราะฉะนั้นถ้ามีสตินใจไม่ห ไ, ไหลไปใจไม่ไหลไปกิเลสผ่านมาแล้วก็จะเห็นกิเลสผ่านไปใจกับกิเลสไม่สัมผัสกันเหมือนเรือนะ จอดอยู่แล้วก็น้ำไหลผ่านข้างเรือไปเรือไม่ขวางน้ำน้ำก็ทำอะไรเรือไม่ได้ต่างคนต่างอยู่กันไปนั้วเราคอยฝึกนะวันหนึ่งเราจะเข้ามาถึงสภาวะที่แสนจะสบายนะความจริงมีมากกว่านี้แต่หลวงพ่อเทศมากกว่านี้ชฉลยญาติโยมจะทนไม่ไหวนะ <c oughs> เพราะปัญญานะมีเป็นขั้นขั้นไปมีเป็นลำดับลาดับไปนะพวกเราเคยได้ยินไหมในพระสูตรนะเคยบอกว่า พระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยนะพระโสดาบันสมาธิเล็กน้อยนะมีปัญญาเล็กน้อยขนะาดพระโสดาบันปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราอ่ะมันจะน้อยแค่ไหนคงปัญญานิ่มนิ่มนะดังนั้นต้องดูนะเนี่ยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยทําไมเรียกว่าปัญญาน้อยทําไมเรียกว่ามีสมาธิน้อยจิตของพระโสดาบันเนี่ยยังแกว่งกระเพื่อมตามกามอยู่ กามยังมีอิทธิพลมากเลยยังรักในกาม <l> ยังกระเพื่อมบั่นไหวคล้ายๆปุถุชนนี่แหละแปรขึ้นแปรลงตลอดเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายตลอดนะแต่ศีลท่านบริบูรณ์แล้วนะศีลท่านบริบูรณ์แล้วไม่ทําชั่วแล้วปัญญาเล็กน้อยคือท่านแค่เห็นความจริงท่านะั้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเร า, น, เรานี่ปัญญาของพระโสดาบันแค่นี้เองนะที่เราบอกว่ามีปัญญาปัญญาปัญญาของพระโสดาบันแค่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มี นี่พวกเราบางคนหัดภาวนากับหลวงพ่อตอนนี้มีเยอะเลยที่สามารถเห็นได้แล้วว่าตัวเราไม่มีแต่จิตยังไม่ยอมรับถ้าจิตยอมรับได้ก็คือได้ธรรมะมันจะมีกระบวนการของการเกิดอริยมรรคขึ้นอันนี้ในพระพิธารรมสอนไว้นะมีแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะตัวเราไม่มีบางทีตัวเราหายไปพอเห็นว่าตัวเราไม่มีนะบางคนก็กลัวตัวเราหายไปแล้วบางคนรู้สึกเบื่อมากเลย บางรู้สึกบางคนรู้สึกโงงโงงว่างว่างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปเนี่ยใจยังไม่ยอมรับนะถ้าดูซ้ําลงไปดูไปอีกไปอีกนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับจริงๆรงกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะมีแต่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามาก เ, เข้านะปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แหะพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อย พวกเราเห็นใช่ไหมว่าอะไรเกิดอันนั้นดับรู้สึกไหมไม่จริงหรอกเรายังคิดเอาอยัางไม่ได้เห็นจากของจริงถ้าเห็นจากของจริงเราจะละกิเลสไดนะ้เพราะฉะนั้นกิเลสนะ่ะไม่กลัวช่างคิดนะกิเลสไม่กลัวคนช่างคิดกิเลสกลัวคนจเจริญสตนะิมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นนะดูไปอย่างนี้กิเลสจะกลัวนี่กิเลสแมนจ์แมนตัวจริงเลยละ่ะนะไปดูไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันตัดครั้งที่สอง เรตัดครั้งที่สองเราจะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปั่นกลางมีปัญญาเล็กน้อยพระสัคขาคาอย่างปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราล่ะนะนะดูสิคงจิ๋วจิวนะปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่าท่านก็ยังเห็นอย่างพระโสดาเห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับนะตัวเราไม่มีท่านเห็นแจ้งอย่อย่างนี้แต่ว่าความรักใคร่ยินดีพัวพันในกามเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยเพราะท่านรู้ว่าจิตที่หลงไปดูรูปนี่มันหลงไป ทันทีที่หลงไปสมมติว่าเห็นสาวเดินมานะเห็นคุณสืบสักเห็นสาวเดินมาใจวิ่งจุดไปที่เขาสติระลึกปั๊บเลยราคะขาดสะพั้นเลยนี่ราคานะแมネจเมนตะ์เห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวนะกลัวสติระลึกปั๊บขาดปั๊บเลย น, ะนี่โทสะแมเนจเมนต์แล้วทํายังไงดีหมาบ้าวิ่งมาหลบนะชาวพุทธต้องฉลาดนะ ไม่ใช่เออถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันมันคงไม่กัดนั่นแหละกําลังทํากรรมใหม่คือโงนะ่เพราะงั้นมันกัดเอานะงั้นต้องมีสติมีปัญญาหลบหลีกให้ทันนะได้นะค่อยดูไปนะคอยรู้สึกไปรู้สึกไปต่อมาพอมันตัดครั้งที่สามตรงที่มันตัดครั้งที่สามนี่ยมันจะพลิกเลยจะพลิกเลยเราจะไม่กลับมาสู่โลกอย่างนี้อีกแล้วพระใจจะไม่ไม่ปัวพันด้วยกรรมมันจะเห็นว่าอะไรมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นลนเลย ไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอีกต่อไปเป็นทุกขล้นลนนะพวกเรายัางไม่เห็นรู้สึกไหมรู้สึกมไหมกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังไม่รู้ความจริงนะยังไม่เห็นความจริงเพราะโมหายังบังอยู่นะค่อยรู้สึกลงไปอีกค่อยรู้สึกอยู่เรื่อยเรืเรยเห็นในยร่างกายนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อที่ไปภาวนากันที่ก็มีเยอะ น, นะขนาดนอนหลับนี่ภาวนากับหลวงพ่อนะสติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลย แต่เดิมเนี่ยเคยเสพสุขด้วยการ น, นอนรู้สึกไหมนอนแล้วสบายพอมาเจริญสติปัญญาแหมมันแก่รอบขึ้นมาจริงๆจะตกใจนะพวกที่ชอบนอนอนะ่ะพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมานะจะเห็นเลยว่าร่างกายที่นอนอยู่เนี่ยมีแต่ทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคือหนึ่งสี่สิบห้าสิบครั้งจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเลยะจะรู้สึกนะโดยที่ไม่ได้ตื่นนะร่างกายก็หลับอยู่นั่นแหละแต่จิตมันทํางานได้อัตโนมัติเลย จะเห็นโอ้มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์นะเห็นจนมันพอเลยทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่ทุกข์ทั้งนั่นกายนี้ถ้ามันพอแล้วมันจะหมดความรักในกายหมดความยึดถือในกายพอหมดความยึดถือกายมันก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นส่วนของกายนั่นแหละพอไม่รักในตาใช่ไหมมันก็ไม่รักในรูปรูปมากระทบนี่ไม่ตายังไม่น่ารักเลยนีไปรักรูปได้ไงหูยังไม่น่ารักเลยไปรักเสียงได้ไง ถ้าไม่ยึดถือตรงเนี้ยไม่ยึดถือตัวนี้ก็จะไม่ยึดถือตัวข้างนอกด้วยไม่ยึดถือข้างในนี้นก็ไม่ยึดถือข้างนอกในสุดใจก็จะไม่กระเพิ่มกัขึ้นกับเพิ่มลงเพราะผัดสัพท์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าการรมคุณอารมณ์ทั้งหลายนีย่ไม่สามารถทําให้ใจเรา met, กระเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงเพราะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์เห็นไหมปัญญาอย่างนี้ปัญญาระดับนี้เรียกว่าปัญญาปานกลางเห็นไหมแค่ปานกลางก็ปางตายแล้วนะ ถ้าปัญญาสุดๆเลยนะจะเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นตัวทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าขันอื่นนี่นะมันเห็นแจ้งมาหมดแล้วการปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะรวมเข้ามาที่จิตดวงเดียวจะอยู่ที่จิตนี่แหละจะเห็นเลยจิตนี้นะผ่องใสเบิกบานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่นานๆไปมองได้อีกนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็พยายามรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้นะให้มันรู้มันตื่นมันเบิกบานจะไม่มีหลงมีหลับอะไรกันแล้วนะมันจะตื่นได้เยอะเลยแต่มันยังไม่เที่ยงยังมัวมัวได้อีก หลังจากนั้นเนี่ยปัญญาที่จะเห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงนะหมดจดนะถึงจะเกิดขึ้นนะปัญญาที่เห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงก็คือเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์พวกเราจําไว้นะหลวงพ่อฝากไว้ชาตินี้ยังทําไม่ได้ชาติต่อต่อไปเอาให้ได้นะฝึกไปเรื่อยจนวันใดเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละจะพ้นทุกข์แล้วละ่นะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเลยว่าเรายังขาดอะไรเราเรายังรู้ไม่รู้วางอย่างอยูอย่ เรามีสิ่งที่ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรจะรู้สึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวันใดเห็นแจ้งอริยสัจเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือความรู้แจ้งอริยสัจความรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละคือตัววิชาคือตัวปัญญาคือตัวอโมหะที่แท้จริงนี่แหละโมหะก็จะถล่มทลายลงตรงที่ปัญญานี้เกิดขึ้นมาอาวิชาจะคว่าลงตรงนี้เอง เ, ออเทศนานเลยรู้เรื่องบ้างเปล่าก็ไม่รู้ ไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกที่รู้เรื่องนะมีไม่มากหรอกนะทำไมมันฟังยากเพราะไม่ค่อยได้ฟังเราได้ยินธรรมะก็ทั่วๆ่วไปนะให้ทาทานให้ถือศีลให้ทำโน่นให้ทำนี่อย่าทำโน่นอย่าทเนี่เราไม่เคยได้ยินธรรมะว่าให้รู้ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราไม่ค่อยคุ้นเราจะชอบแต่จะทำเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติ คุณรินรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติคือคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมดาเพราะงั้นจะต้องเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนตลอดนะต้องไม่ธรรมดาทั้งทั้ง ท, งที่ธรรมะคือธรรมดางั้นเมื่อไรเลิกสตีนะเลิกสแสวงหาเลิกดิ้นรนแต่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แหละคนะรูบาอาจารย์องค์นึงของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีอาจารย์เยอะนะ แต่เดิมเรียนสมถะเจากท่านพ่อหลีแล้วท่านสิ้นไปก่อนขึ้นวิปัสสนาไม่ทันแล้วไปเรียนดูจิตจากหลวงปูด่ดูลัจากนั้นก็ยังมีอาจารย์อีกเยอะนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมจันมหาบัวก็เคยไปเรียนกับท่านจันมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อประโยคหนึ่งนะฝังอกฝังใจเลยแล้วจริงๆๆอย่างท่านว่านะบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบัน สังเกตไหมเราลืมกายลืมใจทั้งวันเลยเราลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันเลยเราเห็นแต่กายกับใจของคนอื่นเราสนใจคนอื่นนะมไม่สนใจตัวเองทำยังไงล่ะจะย้อนกลับเข้ามาโอปะน่ยิโกนะน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองที่สวดตะเกียรใช่ไหมโอปะน่ยิโกนะอะไรนะน้อมพึงน้อมเข้ามาสู่ตัวคืก อ, อะไรแปลว่าไงสํานวนส่วนโมกนะันนะนะ ตอบมาหลายคนไม่เหมือนกันสักคนเชื่อถือยากน้อมเข้ามานะมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจรู้อย่างนี้บ่อยๆรารู้ไปบ่อยๆวันหนึ่งจะเห็นความจริงของกายของใจแต่ตอนที่เห็นความจริงใจต้องตั้งมั่นพวกเราที่ขาดนะอันหนึ่งขาดสติเราหลงไปบ่อยๆเราลืมกายลืมใจทั้งวันเรารู้แต่เรื่องที่คิดเราเห็นแต่คนอื่นเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเราขาดสติ อันที่สองที่เราขาดนะก็คือสัมมาส ม, มาธิใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลตลอดไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปชิดเห็นไหมเนี่ยใจไหลเพราะฉั้นเราจริงๆเราขาดแค่2ตัวเองอะแต่2ตัวนี้แหละคือตัวที่จะทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดมรรคผลนิพพานเพราะฉั้นเราก็คือเราขาดเครื่องมือที่จะไปสู่นิพพานต้องพัฒนาขึ้นมานะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่ารีบร้อน อะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกเรื่อยสติจะเกิดแล้วก็หัดสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไหลามาแค่นี้นะสรุปแล้วนะจะสรุปนะให้เรามีสติด้วยการหัดรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะหรือร่างกายเราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเราไปรู้สึกอย่าใจลอยอย่าใจลอยด้วยแล้วอย่าไปเพ่งด้วยพวกหนึ่งไม่ใจลอยแต่เพ่งเช่นยกตัวยอย่างจะหยิบพวงมาลายัยต้องเพ่งก่อนเพ่ง โอชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงเลยนะอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกกิเลสเกิดไปห้าร้อยอบแล้วนะกิเลสเร็วมากนะเราแกล้งทาช้าชากิเลสไม่ช้าด้วยนะเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นนะไม่ใช่แกล้งทําอะไรให้ช้าชานะกิเลสมันไม่ช้าด้วยหรอกนะงั้นเราค่อยๆฝึกหัดดูสภาวะไปดูเล่นๆไปด้วยใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงก็รู้ นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานท่านสอนบอกว่าดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะท่านให้รู้เฉยๆจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมแค่รู้จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแค่รู้จิตหลงไปก็รู้นะจิตรู้สึกขึ้นมาก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้เนี่หัดรู้ไปเรื่อยๆพอหัดรู้ไปเรื่อยนะต่อไปจิตมันจําสภาวะแม่นลสติเกิดเอง สติปัฏฐานเนี่ยขั้นต้นทำไปแล้วเกิดสติขั้นต่อไปทําแล้วจะเกิดปัญญาถ้ามีเงื่อนไขคือมีใจที่ตั้งมั่นเพราะฉั้นเงื่อนไขคือตัวใจที่ตั้งมั่นนี่แหละจะทําให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจคําว่าวิปัสสนานะี่ยไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนานะอย่างสมมติหลวงพ่อจะหยิบไมโครโฟนนะนี่หยิบไมโครโฟนบอกรู้นะนี่หลวงพ่อปราโมทย์จับไมโครโฟนเนี่ยไม่เรียกว่ารู้เลย เนี่ยหลงอยู่ในบรรยัตทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้เอาซีดีไปฟังนะมีเครื่องช่วยฟังรอบเดียวสาหัส <c oughs> ฮะเอาว่ามาส่งกันบ้านเหรอมาที่ภาวนามาเป็นปีที่ยี่สิบแต่ยังมียังยังรู้สึกว่าทุกข์อยู่เจ้าค่ะทุกข์สิยมเพราะยมทำสมถ ะ, ะยมน้ําใจให้นิ่ง รู้สึกไหมใจของโยมนิ่งกว่าคนธรรมดา <Okay. S 1> ใจที่นิ่งเนี่ยนะมันข่มกิเลสไม่เฉยเฉยมันไม่ทำไม่ไม่ทำให้เกิดปัญญายี <Okay. S 1> นะ่สิบปีแพ้หลวงพ่อหลวงพ่อฝึกติดอยู่างเงี้ยยีปีนะ <Okay. S 1> เราต้องปล่อยจิตนะให้มันทํางานไปตามธรรมชาติ <Okay. S 1> ให้มันกระทบอารมณ์แล้วให้มันก็ทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดา มีส ต, ติตามดูมันไปเรื่อยๆไม่ไปประคองให้นิ่งของโยมติดการประคองให้นิ่งนะต้องปล่อยซะถ้าปล่อยได้แล้วปัญญาจะเกิดมันจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าโยมไม่ปล่อยโยมจะไม่เห็นไตรลักษณ์กายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วไตรลักษณ์จะอยู่ที่ไหนไตรลักษณ์มีแต่ความเปลี่ยนแปลงคือเดือนสองเดือนที่ผ่านมาโยมก็มีทุกในใจเพราะเรามาเห็นกิเลสตัวเองอชอบไปติด ชอบไปยึดติดนั่นแหละทําสมาธิมันชอบติดสุขแล้วลูกก็มาฟังเทปอาจารย์รู้สึกไหมเราหลวงพ่อถามบ้างดีกว่าอย่ามาถามหลวงพ่อสังเกตไ้มพอฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจิตมันคลายออกมาเจ้าค่ะรู้สึกไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวได้นั่นแหละไปฟังอีกฟังจนมันเป็นธรรมชาติเลยคือทุกมันอยู่ห่างๆออกไปใช่ทุกมันจะอยู่ห่างๆฐานสองะค่ะกายก็เึ้่งมีใจก็เพิงมีเหลือแต่ทุกกายนะสุดท้ายทุกใจไม่มี อตอนเนี้หลงแล้วรู้สึกไหมนี่แหละหัดรู้ตัวนี้แหละตัวโมหะลงละเนี่ยหลงอีกแล้วรู้ไหมเจ้าค่ะเห็นไหมใจใจมันไหลไปมันจะงงไม่มีที่ก่ออ่ามันไหลไหลไหลเอาไงดีว่ะ <c oughs> นะ <c oughs> คิดว่าจะพูดอะไรต่อให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจกําลังแขว่งเที่ยวแสวงหาอยู่เจ้าค่ะ<น>ะให้รู้ทันสังเกตไหมอยากพูดเมื่อกี้ความอยากพูดมันดันขึ้นมา แล้วก็มีสติรู้ว่ามันอยากพูดนะเนี่ยดูมันทํางานนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันทํางานมันทําของมันเองมันอยู่ห่างห่างของคุณเริ่มดูได้แล้วว่ามันอยู่ห่างของคุณจะได้เปรียบคนอื่นอยู่อย่างนะคุณคุณทําสมาธิมาเยอะการที่เราทําสมาธิเยอะเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นถ้าถ้ารู้หลักนิดเดียวนะใจจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูของคุณเพียงแต่คุณประคองใจมากไปเท่านั้น ถ้าคุณปล่อยการประคองนะใจจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นเลยจะเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยมันจะอยู่ห่างๆตลอดเวลาเลยฝึกเอานะฝึกเอากราบขอบพระคุณอย่างสูงเชค่ะแล้วที่นี่เขาจัดระบบยังไงอะ่ะที่จะถามต้องต้องดูว่าเจ้าภาพจะใช้วิธีไหนที่วัดหลวงพ่อเขาก็หลวงพ่อจะเชีย่ยวมีใครอยากจะถามอีกไหมครับ มีผมเห็นมือจากข้างหลังตรงกลางและข้างหน้าหลวงพ่อชี้เอาได้เลยครับหลวงพ่อชี้มาตั้งแต่เช้าแล้วหลวงพ่อนักเข็ดมากเลยนะเอาบอกยกมือยกคลุบทั้งห้องเลยเอาว่าไปหลาบท่านอาจารย์ประโมทครับกระผมปฏิบัติทางสมถะมานานนะฮะแต่จิตไม่เคยสงบเลยแต่มีความตั้งใจว่าจะภาวนาพุโทโธจนตายคาพุโทโธพอฟังเทปของหลวงพ่อกับอ่านหนังสือ ประมาณสักหน่งปีแต่ก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่เมื่อก่อนเข้าภาษาเราผมก็ลดทิฐีลงมากลงมาตั้งใจฟังเสียดีหลวงพ่อและอ่านหนังสือเข้าใจเยอะรับปรับพิธีปฏิบัติใหม่ก็มีความก้าวหน้าครับใช่<อ>จิตยอ ม, มเปลี่ยนไปแล้ ว, แ, ลวแต่เดิมเราเพ่งรูปเดียวคือวัตถุประสงค์ของการพุโทโธนะที่ผ่านมาเราพุโทโธเพื่อให้ใจนิ่งตอนนี้ยมปรับวิธีใหม่ยอมพุโทโธเพื่อจะรู้ทันใจ จริงไม่ใช่วิธีที่หลวงพ่อสอนนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือท่านอาจารย์บุญจันทร์ท่านอาจารย์บุญจันทร์อยู่ถ้ำผาพึ่งอาจารย์หลวงพ่อตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะอาจารย์บุญจันทร์ท่านเคยสอนบอกพุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจเห็นไหมพุทโธนี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธเรารู้ทันใจพุทโธเรารู้ทันใจตัวเองเราจะเห็นมันทํางานครับผมต้องปรับอย่างอื่นต่อไหมครับท่านอาจารย์งของโยมพอใช้ได้แล้วนะโยมดีแล้วยมหลุดออกมาแนละ้ว รู้สึกไหมว่าโลกนี้อยู่ห่างๆครับรู้สึกครับนั่นแหละเห็นไม่ง่ายนิดเดียวอ่ะเพราะอย่างเดียวไม่ดื้อไม่ดื้อครับลดทิฏฐิลงมากราบแทบเท้าหลวงพ่อไม่ต้องนะกราบเพราะพระพุทธเจ้าครหลวงพ่อก็ยังกราบเท้าพระพุทธเจ้าทุกวันอ้าต่อไปเชิญของโยมภาวนาได้ใช้ได้แล้วล่ะแต่เริ่มเรื่อดวกไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งที่โยมเพ่งอยู่ไม่ว่ากี่ปีก็ตามไม่มีใจรักนึกออกไหมพอเราปล่อยปั๊บนะนมันแสดงไใจรักเลย หลวงพ่งพอทุกวันท <พอ S 2> ี่สอนง่ายนะขยันเยอะอ้าว่าไปสอนรังสรรคพ่อครับผมปฏิบัติมาก็พักหนึ่งครับพอดีได้แต่ก่อนนี้ชอบวูครับอืมเนี่ยนี้ก็ยังชอบเจ้าไเห็นเห็นรู้นเห็นนี่ครับเห็นแสงพวกแสงนี้ก็ได้เทียบหลงพ่อมาจะทุ่มี่เนี่ยครับก็ปฏิบัติมา ก, ก่อนข้าวพรรษามาครับก็เลยได้ไปนั่งคุยกันว่าแต่ความคุณชอบติดสมถามาก ผมก็เลยตัดขึนใจว่าหักดิบมาฮะก็เลยเดินโยงกลมเด็กก็เดินไม่ถูกครั้งแรกครับเป็นยังไงไปมาก็เลยเป็นแล้วก็เป็นพงพ่อบอกว่าลองใจกล้าสักครั้งหนึ่งหนาเอาซื้อซื้อน่ะก็เลยลงไปเลยฮะซื้อเลยพิจารณาไปนะออมันเป็นอย่างนี้ก็คือให้รู้ว่าเราโกรธไม่รู้ว่าโกรธให้รู้จักภาวาความโกรธอย่างนี้หนมเราทํางานทํางานอยู่งานไม่ทันใจเราเราโกรธ รเราโกรธเราใครโง่เราโง่เนี่ยเราโกรธ น, นะครัโกรธให้รู้องให้รู้สภาวะนะไม่ต้องรบรรยายก็ได้รจริงๆแล้วต่อไปมันจะไม่มีเราโกรธจะมีแต่ความโกรธมีแต่จิตมันโกรธแต่ไม่ใช่เราโกรธครับนน แ, ลแล้วตอนคืนผมก็ปฏิบัติก็คือเริ่มเข้าศึกษาอริสตสีอยู่ครับตอนนี้ทุกอย่างไงครับสมุทัยนี่ร้อนมากเลยนะก็ปฏิบัติอยู่ผมได้เปิดเว็บไซต์ของ ูุปุดุล น, นะครับพ่อด้วยอย่างนั้นก็เลยเปิดปัตตานีดกด้วยครับก็มาศึกษาดูว่ามีท่อนหนึ่งที่องค์สมุทรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ า, าที่จะท่านไปตัดในไปผัวพร้อมพระเจ้าว้าเคราะครับก็ได้ไปอ่านได้ศึกษามาว่าอาทุกสุขทัยที่รว่ดมากเนี่ยเป็นมายังไงท่านสอนมาอย่างไงษาไทยก็ได้สถิติเข้ามาดูไป น, นะถ้าแจ้งอริยสัจก็จะแจ้งในธรรมะพนทุกข์ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ภูมิที่จะแจ้งได้นะในความเป็นจริงเนี่ยกิจในอ ร, ริยสัจสี่มีสี่กิจทุกเนี่ยให้รู้สมูทัยให้ละนิโรธให้แจ้งมรรคทำให้เจริญขึ้นมาสี่กิจเนี่ยมันทำในขณะเดียวกันได้ให้รู้ทุกไปอให้รู้ทุกไปด้ว ย, ห, วยหมายถึงว่ารู้อะไรหลวงพ่อบอกแล้วนะตัวคำว่าทุกเนี่ยเป็นนิยามโดยเฉพาะของศาสนาพุทธทุกคือกายกับใจเานี้เอง เพราะฉะนั้นให้เรารู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆวันใดที่รู้แจ้งว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะจิต จ, จะสลัดทิ้งไยไม่ยึดถือเห็นไหมพอเราเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากจะหายไปเองสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพนทุกข์จะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าปัญญามันแจ้งนะกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วน พอปัญญามันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งองนี้ความอยากที่จะให้มันเป็นสุขความอยากให้มันพ้นทุกข์ไม่มีทันทีที่ความอยากดับนั้นในขณะนั้นนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเลยคือภาวะแห่งความสิ้นตัญหานั้นเองในขณะนั้นแหละอริยมรรคจะเกิดขึ้นเห็นไหมทุกข์จิตของทุกข์สมุทัยนิโรธมั่งนั้นทําเสร็จในขณะจิตเดียวนั้นแหละเรามีข่วนรู้สึกไหมมีความสุขแล้วเพลินครับให้คนอื่นบ้าง อ้าวข้างหลังข้างหลังนุ่นนุนนุนอยู่ทางนั้นอ้าวหรือทางไหนกอ้าวทางนี้ก็มีอ้าวที่ผมที่ผมทํานี่ผ่านมานี่ทําถูกเรือยงครับโอ้มาถามอย่างนี้ <c oughs> เกรงใจบ้างสิ <c oughs> ถามอย่างนี้ต้องไปถามที่วัดนี่มาออกโทรทัศน์ด้วยเปล่าวก็ไม่รู้ <c oughs> ของคุณพอใช้ได้ละครับ <c oughs> ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแนละ้ว <c oughs> ของคุณปล่อยนะคุณปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วก็ตามรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อน ของคุณติดน้อยกว่าเพื่อนแหละสามคนโน้นติดหนักหน่อยเสื้อสีส้มๆคนนี้ก็คนกลางก็ปลดลุกไปขอบคุณหลวงพ่อครับขอบคุณพาอได้แล้วนะขอบคุณหลวงพ่อครับอไปทางโน้นทางโน้นครัข้างหลังซ้ายมือรู้สึกไหมหลงหมดห้องเลยรู้สึกไหมหลงต่หน้าต่อตาหลวงพ่อเชียวนะขออนุญาตค่ะท่านเอามาอยู่นี่หรอกเลยเอาว่าไปค่ะก จากที่พระพุทธองค์ได้จักเอาไว้นะคะสิ่งที่เล็กที่สุดในในโลกเนี่ยก็คืออัฐกะละปะซึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็ลักษณะทัสีทีนี้เนี่ยในร่างกายเราก็ประกอบด้วยกายและจิตซึ่งในจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แสดงว่าในในทั้งหมดเนี่ยคือก็ยังลึกลงไปก็คือยังประกอบด้วยอัากะละปะอยู่ใช่ไหมคะทีนี้อัา ก, กาะละปากเนี่ยมันถูกควบคุมด้วย ปริชาโลภ า, าโทสามหาใช่ไหมคะแล้วคือคุณเฮ้ยอย่าเรียนอย่างนั้นเรียนอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบคุณดูกิเลสของคุณสดสดร้อนร้อนลงไปเลยตรงเนี้ยคุณต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยจบอภิธรรมปริเฉดเก้าเนียเยอะเลยนะ <Okay. S 2> แต่ว่ามันไม่เห็นสภาวะถ้าไม่เห็นสภาวะไม่สู้กิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหัดรู้สภาวะให้ได้ไอ้นั่นเอาไว้เรียนเอาไว้ทดสอบตัวเองคือพอยยาม น, นั่นน่ะเลิกซะไอความพยายามมันนั้นนะมันทำให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นให้คุณรู้สภาวะลงปัจจุบันไปได้กิเลสใดๆกำลังปรากฏในขนาดนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปเไรื่อยๆรู้เฉยๆนะไม่แทรกแซงรู้สึกไหมใจเราดิน้นครบกแกคอกแกคกกอกแค ร, รู้สึกไห ม, ไมเห็นไหมยังดูไม่เป็นเห็นไหมสติไม่เกิดนะ พงั้นคุณจะมาถามหลวงพ่ออยู่เนี่ยไปถามอาจารย์พี่ธรรมได้หัดดูสภาวะจริงๆเห็นไหมในขณะที่คุณมองเขาเนี่ยเห็นไหมคุณมองเขาเนี่ยจิตคุณไหลไปอยู่ที่เขารู้สึกไหมเห็นแต่เขาลืมตัวเองนี่แหละเรียกว่าขาดสติหลวงปู่ดูลเรียกว่าส่งจิตออกนอกตอนนี้คุณไปคิดแล้วคุณรู้สึกไหมคุณแอบไปคิดใจของคุณหนีไปคิดจิตของคุณสงสัยแล้วคุณรู้ไหม เนี่ยคุณหัดดูสภาวะอย่างนี้นะความสงสัยผุดขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยนะความโลคความโกรธความหลงอะไรผุดขึ้นมาคุณรู้ไปแล้วสภาวะทั้งหมดนั้นแสดงใจรักษณให้ดูเองเลเนี่ยงงอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สิว่ากําลังงงงงก็รู้ว่างงนะไม่ใช่งงเราคิดหาคําตอบของคุณเป็นโรคคิดมากไป ห, หัดรู้ให้มากๆนะจะได้ตื่นกิเลสเนี่ยไม่กลัวคนคิดมากจาไว้นะกิเลสกลัวคนที่ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิด คำว่าตื่นนะ่ะคือคำว่าหลุดออกจากโลกของฝังคิดหลุดออกจากปัญญัติแล้วมันถึงจะเห็นปรมาจิได้เนี่ยหลงไปในปัญญัติอีกแล้วรู้สึกไหมอย่าพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นเพราะอะไรความพยายามของคุณเนี่ยประกอบด้วยโลภะแล้วคุณไม่เห็นคุณอยากเข้าใจใช่ไหมคุณไม่เห็นความอยากเรียนเอาพี่ทำมาไหมกิเลสเป็นสหาชาตปัจัยของกรรม ในขณะซึ่งเรามีความอยากแล้วเราก็ไปดิ้นรนค้นคว้าอยู่กระทํากรรมทางใจทางมโนกรรมกิเลสยังครอบงําใจอยู่เพราะฉะนั้นสติจะไม่มีวันเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยฉะนั้นะ ท, าทางที่ดีนะกิเลสใดปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเนี้ยรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นมันเกิดแล้วก็มันดับมันเกิดแล้วมันดับนะหัดตัวนี้นะจะได้ประโยชน์เยอะกว่ากันแล้วจะพ้นทุกคุณจะเห็นว่าโลกนี้อยู่ห่างออกไปในห้องนี้นะเท่าที่ บอกหลวงพ่อเมื่อกี้ก็มีตั้งหลายคนแล้วที่เริ่มเห็นโลกนี้ห่างไปแล้วโลกนี้จืดโลกนี้อยู่ห่างๆโลกนี้เข้ามาปรุงแต่งไม่ถึงจิตเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วเอาว่าไปจัด ก, การยังไงกับความง่วงกับหลวงพ่อง่วงก็ไป น, นอนสิคุณต้องแยกให้ออกนะง่วงไม่ใช่กิเลส น, นะระหว่างที่ผมฟังหลวงพ่ อ, อมเมื่อสักครู่นะ ผมก็ตั้งใจ ก, ก็รู้ว่าเรากำลังตั้งใจ ม, มันก็บางทีมันก็เกิดอาการซึมซึ ม, มนะฮะแล้วก็รู้ว่าง่วงก็รู้ว่าง่วงแต่สิ่งที่ผมสงสัยต่อคือเอ๊ะอย่างนี้เราจะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคลาไว้แล้ว<ะ>นะไปอ่านเ อ, อนานะมีแปดประการสุดท้ายเลยคือสีหาใส่ ย, ยากคือไปนอนนะฮะไปนอน คือต้องแยกให้ออกนะขี้เกียจเนี่ยเป็นกิเลสนะง่วงไม่ใช่กิเลสนะมีความสุขความสุขไม่ใช่กิเลสนะพอใจในความสุขถึงจะเป็นราคานะเราต้องแยกสภาวะให้ชัดนะงั้นสภาวะใดที่มันไม่ใช่กิเลสเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปล่ามันตัว อ, อย่างตอนเนี้ยไม่ง่วงแล้วครับผมพ อ, อมคือผมทราบว่ามันมันง่วงแต่มันไม่ควรที่จะไปนอนอืมไม่ควรนอนเราก็นั่งเนี่ยอ่นะนะ ขยับเนื้อเห็นไหมครูพระเจ้าสอนใช่ไหมให้รูปเนื้อรูปตัวท่านสอนนะครับท่านสอนไว้หมดแล้วนะเครูเจ้าของคุณอย่าประคองไว้นะคุณเพ่งแรงไปนิดนึงยังเพ่งอยู่เอานะเดี๋ยวผู้กํากับเวทีบอกหลวงพ่อว่าจะหมดเวลาแล้วได้อีกสองคนนะหลวงพ่อคะยิ่งรู้สึกจัดการกับกิเลสมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นเท่าไหร่ต้องถูกกิเลสจัดการ ถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปรู้กิเลสเพราะฉะนั้นต้องทําอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีอยากคิดจัดการมันนี่แหละคือวิธีจัดการก็คือวิธีรู้ทันมันจิตมีโทสะก็รู้ไม่ใช่ว่าอยากให้มันไม่โกรธอยากให้มันหายโกรธนั้นเป็นความอยากถ้าความอยากเมื่อไหร่เกิดขึ้นนะคุณก็ต้องมีความทุกข์เมื่อนั้นแหละเพราะความอยากเป็นตัวสมุทัยเพราะฉะนั้นจะอยากจัดการกิเลสแต่คุณเรียนรู้กิเลสไป วิธีจัดการกิเลสที่ดีที่สุดนะั้นคือพัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแค่รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่หายก็แค่รู้ไปเรื่อยๆเหรอคะมีอะไรบ้างที่ไม่หายในโลกนี้ไม่มีแต่เพียงแต่ไม่หายทันใจเท่านั้นเองยกตัวอย่างนะคนอกหักอกหักรักสลายแฟนตายจากฉับพลันหรือนอกใจเห็นไหมจิตมีความทุกทุกนาน ถามว่าต้องแก้ไขอะไรไหมถึงไม่แก้วันหนึ่งก็หายเพราะมันไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดในโลกที่เกิดแล้วเที่ยงอยู่หน้าที่ของเราก็คือเรียนให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ไปพยายามดับมันจุดที่คุณพลาดก็คือพอเกิดกิเลสแล้วคุณพยายามไปดับกิเลสคุณทาเกินที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ใช่มมีราคะให้รู้มีโทสะให้รู้ มีโมหะให้รู้ฟุ้งซ่านให้รู้หดหู่ให้รู้นะคุณไม่ใช่มีราคะทำยังไงจะไม่มีมีโทสะทำยังไงจะหายกโกรธเนะี่ยคิดจะทำมีคำ ว, ว่าทำนะไม่ใช่คำ ว, ว่ารู้เวอร์ไปคือทำไม่ใช่รู้ไปปรับตัวนะกรับซะทำผิดนั่นแหละมันถึงทุกข์อ้าวน้นคนสุดท้ายใส่แว่นตาหน้าเหมือนนกพุกนั่นะอ้าว่าไป รับนมัสการเจ้าค่ะเมื่อก่อนติสมาธอ่าหลวงพ่อจำได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกจากสมาธิมากขึ้นแล้วก็มาเผชิญกับเห็นความทุกข์มากขึ้นเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็จะเห็นจิตว่าดิ้นสุดโต่งอะค่ ะ, ะแล้วก็อยากดีเจ้าค่ะแต่จริงๆหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าห้ามทํำสมถะน ะ, ะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเพียงแต่ว่าเราต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง สมถะชนิดไหนทําไปแล้วกิเลสเกิดสมถะทาไปชนิดไหนทําไปแล้วจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเราต้องจำแนกตอนนี้ควรเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาตอนนี้ควรทําความสงบพักผ่อนก็ทําความสงบนะเราต้องดูตัวเองการทำสมถะและวิปัสสนาก็คล้ายๆขับรถนะบางทีก็ต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหบางทีก็ต้องเหยียบเด็กสมถะก็เหมือนเราเหยียบเด็กแล้วต้องพักบ้างถ้พักตลอดการ ไปไหนไม่รอดอยู่ที่เดิมเหรอไหมเหยียบกันเร่งตลอดก็ไปไม่ไหวคงไปตกสนทนตายที่ไหนเสื้อแข่งเพราะงั้นจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองถึงเวลาที่ควรทําความสงบก็ทําำนะแต่ต้องทําให้เป็นนะวันหลังหลวงพ่อจะจัดคอร์สชวนท่านอาจารย์มาไม่เอาดีกว่าชวนท่านท่านงานเยอะเดี๋ยวจะปล่อยทําเรางานเยอะไปด้วยจัดคอร์สนะฝึกสมาธิบ้าง จานคือที่ตึกที่ผ่านมานี่คือมีตื่นนี่คื อ, อยังอะไรนะตรงแนวทางมากหรือยังค่ะเจ้าคะ่ะตรงนะตรงมากขึ้นแต่ก่อนติดเพ่งอะ่ะตอนนี้มันคลายออกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแต่ยังตอนนี้ยังเพ่งอยู่นะอ่าได้แค่นี้นะเดี๋ยว<อ> ก, ก็มรสรายเจ้าคะ่ะธุละต้องไปครับพระยิ่งแก่งานยิงย่งเยอะถึงช่วงนี้โดยปกติแล้วจะนิมนต์พระอาจารย์นําพวกเราทุกคน นั่งสมาธิครับครับนิมนต์พระอาจารย์ครับฮะเอาอีกเหรอสอนที่ปันสนาจะเอาสมถะเอานั่งตัวตรงๆนั่งตรงๆนะนั่งสบายๆนั่งแบบผ่อนคลายอย่าเกรง็งลืมตาไว้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู้บันลงังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหนะ้าพูดแค่นี้ไม่มีบอกหลับตาด้วย ลืมตาไว้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมขนาดพระนอนอยังลืมตาะ ล, ลืมตานะลืมตาไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหายใจออกสบายๆหายใจออกมีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็หายใจออกไปนิดเดียวก็ปอนะแล้วก็หายใจเข้าสบายๆจุดที่สำคัญที่สุดอย่าน้อมใจให้ซึมนะพวกทำสมาธิทั้งหลายชอบเริ่มต้นก็อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะ ต้องรู้สึกตัวสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะทําสมถะก็ต้องมีสติสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดต่อใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมอา้าวกลับไปรู้หายใจออกสบายๆหาย ใ, หใจเข้ามาสบายๆอย่าน้อมใจใจไหลไปอยู่ที่ลมเป็นส่วนมากไหลออกมา น, น่นโน น, นผมยาวๆนั่นนะ่ะมันบังคับตัวเองอย่าบังคับตัวเองนะ หายใจไปอย่างสบายๆเอาจบหลักสูตรไ่ทำเอาเองนะเดี๋ยวก็ไปนั่งเอาเอางก็แล้วกันนะแต่อย่านั่งให้โมหะครอบนะอย่านั่งให้โมหะครอบนั่งรู้สึกตัวไปนั่งรู้สึกกายนั่งรู้สึกใจไปนะครับนิมนต์พระอาจารย์วัวชรเมธีนะครับกล่าวปิดงานสัมมนาแลวก็มอบของที่ลินให้กับพระอาจารย์ประโมทนะครับ ในท้ายที่สุดนี้กระผมก็ขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์ประมทประมทชว์เป็นอย่างยิ่งที่เมตตามาเยี่ยมเยือนสถาบันวิมุตติจารย์พร้อมกันนั้นก็ได้แสดงธรรมซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของการจัดสนาทั้งหกครั้งคือทุกๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าขี่ม้าเลียบค่ายนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรง แล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของสถาบันคือตั้งเอาไว้ว่าวิมุตตยาลัายแปลว่าบ้านของความหลุดพ้นแต่จะหลุดพ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอย่างที่หลวงพ่อทันว่าเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อมาโปรดพวกเราทุกคนพร้อมเองในนามผู้อำนวยการสถาบันพร้อมกันนั้นก็ในนนำลูกเสด็ค์คนหนึ่งก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อไว้เป็นอย่างสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสข้างหน้าก็คงจะได้รับ ความเมตตาจากเดชระคุณหลวงพ่ออีกสักครั้งหนึ่งเอาในท้ายที่สุดนี้ขอเจริญพรพวกเราทุกคนทุกห้องเลยนะเราสาธุให้หลวงพ่อดังๆสักสามครั้งนะสาธุสาธุสาธุ